หลุดพ้นจากรูปปัจจัยด้วยอากาสารนันจายตนะหลุดพ้นจากอากาสานันจายตนะคืออรูปด้วยอริยมรรคอย่างนี้เรียกว่าอุปโตภาคาวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์กับอุปโตภาควิมุตต์เนี่ยใช้เฉพาะกับพผ้ารหันเท่านั้นนะนะใช้กับผ้ารหันแต่ถ้าเป็นผ้าระยะชั้นล่า ง, างมาท่านเช่นถ้ากลุ่มสายก่อนจะอุปโตภาควิมุตต์เนี่ยเขาเรียกว่ากายาสักขี นี่นะกเรียกกลุ่มกายสัก ข, ขีนี่นะกเรียกกายสัก ข, ขีแต่ถ้าเป็นพวกก่อนจะมาเป็นปัญญาวิมุตตก็มาจากกลุ่มทิฏฐิปัตะนี่นะสัทธานุสารีธรรมานุสารีนี่นะสัทธาทิมุตเนี่ยนะเา ก, ก็มีชื่อของเขามาอีกตามนั้นตามคุณธรรมที่ปฏิบัติได้นะ ก็ตรงนี้เนี่ยขอสักอย่างขออะไรอะในบรรดาเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างอย่างของมานะสมัยก่อนนะเราเราก็แบบคิดง่ายๆนะเราก็นึกว่าการที่จบปริญญาตรีเนี่ยนะปริญญาตรีก็นึกว่าเข้ามาก็เรียนได้เลยนะมันเหมือนกับว่ามันสาธารณะใช่ไหมโอ้ยเลือกไปเลือกมาเอ้มันมีตั้งหลายสาขาจะเอาปริญญาสายไหนเนี่เราก็นึกว่าตอนแรกก็ขอให้มันได้ปริญญาตรีก่อนนะนะอย่างอื่นแล้วค่อยว่าอ <inside> ีกที มันต้องไปเลือกเลือกสายว่าจะเอาปริญญาตรีสายสาขาไหนอนะก็ในห้องเราหลายคนก็ตัดสินใจเลือกเอาทายาบาลก่อนนะสามหมอหนึ่งแล้วก็เกษตรหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไล่ไล่ไปตามนั้นไปนะก็ขอปริญญานี่แหละแต่ว่ามันต้องไปเลือกสาขาย่อยเฉพาะส่วนตัวอีกต่หาหักอันอารยมรรคทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกัน แต่ว่าพอเราค้นไปง่ายมากๆขึ้นนะนะมันจะเห็นเห็นเองหลยว่าถนัดอานิจังทุกขังหรืออนัตตานะจริงๆมันก็เริ่มกําหนดอัธยาศัยตัวเองไว้แล้วแหะ แ, แ, แล้วเน้นถนัดพิจารณารูปมากหรือนามมากอนะคือรูปประคันมากหรือเวทนาขันมากหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณขันมากอ่า น, นะหนักไปทางสมถะหรือเอาแต่วิปัสสนาล้วนๆอ่านะ ไอ้พวกนี้มันจะเริ่มกำหนดเจริญของตัวเองไปเรื่อยๆๆๆๆๆถ้าเจริญนะยังเจริญก้าวหน้าอยู่มันจะค่อยๆ ค, ค, คัดตัเองแต่ถ้าไม่เจริญนี่มันก็ก็อยู่กับเดิมเหมือนเดิมเลยทีนี้กลุ่มผ่าหันปัญญาวิมุตต์เนี่ยนะเราเห็นแต่ท่านเป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่ท่านไม่รู้อะไรนะไม่ใช่ท่านไม่รู้อะไรเลยท่านรู้อะไรบ้างท่านรู้วิญญาณทิฏฐิเจ็ดอันนะ วิญญาณที่ตีเจกับอายตนะพิเศษอีกสองก็แปลว่าท่านรู้สัตวาวาสเกท่านรู้อย่างไรท่านรู้เหตุเกิดความดับอัศทะอาทีนวะนิสรณะของสิ่งเหล่านี้พระองค์เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตตเนี่ยนะ ในในมหานิทานสูตรนแสดงไว้อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มอุปโตภาควิมุตก็ชนานาญพระองค์ในในใ น, ในมหานิทานสูตรแสดงเป็นวีโมกแปดผู้ได้วีโมกแปดเป็นอุปโตภาคพวิมุตเหนไั้นพระอรหันเนี่ย น, น, นะไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วท่านรู้อะไร เหตุเกิดรู้ความดับรู้อสาทะอาทีนวะนิสรณะเหตุเกิดกับความดับเนี่ยนะถือว่าเป็นความรู้ในเบื้องต้นที่จะแยกปฏิจจสมุปาทแบบอนุโลมกับปฏิโลมคือมองเห็นว่าสายความเกิดนเรียกว่าสายวัตตะความดับนี่คือสายวิวัตตะทีนี้วัตตะเนี่ยคืออะไร วั ต, ตะนะ้นดูได้จากอะไรวัตตานี้ดูได้จากถ้าอัศาธามากวั ต, ตะยาวหมอเขาใช้คำ ว, ว่าทุเรวัตนะทุเรวัตถ้าอาทีนวะเยอะวิวัตตนะ์ถ้าถ้าถ้าเหตุตามเห็นขันเหล่านี้โดยอัศาธาวัตตายาวถ้าตามเห็นโดยอาทีนวะวัตตสั้นก็ถ้าพูดแบบเท่นะ เปรียบไม่ได้นะเรียกว่าคนอยากเป็นกับอยากตายนี่ไม่ค่อยแน่เสมอไปอุทาหอ์นี่ใช่ไม่ได้เพราะว่าบางคนนี่รักชีวิตมากดูแลอย่างดีแล้วพวกนี้จะอยุยืนไหมไม่แน่แนะ่ใช อ, อุอุปมานี้ใช่ไม่ได้มาดูว่าผู้ที่ตามเห็นโดยอาทีนวะมากจึงจัดแทงตลอดนิสรณะเหนะไนะแต่ผู้ตามเห็นโดยอาศะทมากวัตตะไม่มีจบมีสิน้นเพราะว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะผ้าหันจะมานสิการอารมณ์อะไรก็ตาม ท่านจะเห็นโดยความเป็นอาทีนวะท่านรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งอัาทะแต่ท่านเห็นอาทีนวะมากกว่าแล้วท่านก็จึงสลัดออกได้นะแต่ว่าขอบเขตของการเข้าไปทำปริญญาไปพิจารณารอบรู้เนี่ยอย่างไรท่านก็โซอุปัตโตภาควิมุตไม่ได้นะพวกอุปัตโตภาควิมุตเนี่ยเป็นคนที่คิดละเอียดมากันนะละเอียดยังไงมาดู นะทําฌานที่หนึ่งให้เกิดเนี่ยนะฌานที่หนึ่งเรียกว่าปฐมฌานให้เกิดก็ยากแล้วคนเนี่ยจะต้องมีวสีทั้งห้าทำวสีห้าแล้วจึงจะได้ทุติยะฌานนะได้ทุติยะฌานแล้วก็มาต้องทําวสีอีกห้าแล้วจึงจะเจริญตัติยะฌานได้ได้ตัติยะฌานแล้วก็มาทําวสีอีกห้าเนี่ยนะจึงสามารถเจริญจะตุทะฌานได้นะ วสีาก็ชำนาญในการนึกใช่ไหมอวชนะว ส, สีชนานาญในการเข้าเรียกว่าอะไรสมาปัชะสมาปัชะก็คือชํานาญในการเข้าชํานาญในการตั้งอยู่คือชํานาญในการเข้าอะชำนาญในการนึกชํานาญในการเข้าชํานาญในการ ตั้งอยู่เนี่ยนะตั้งอยู่ในฌานเนี่ยเช่นว่าได้ปฐมฌานแนละ้ตั้งอยู่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงหรือ7วันอะไรก็ตามเนี่ยก็มีอีกชื่อหนึ่งนะของเขาจําชื่อบาลีไม่ได้แล้วก็ชํานาญในการออกเรียกว่าวุฒฐานะวุฒฐานะวสีเรียกว่าบางคนเนี่ยเข้าเหมือนกับอะไรตั้งตั้งนาฬิกาหลับใช่ไหมจะหลับกี่ชั่วโมงตั้งได้ตั้งเวลาตื่นได้อย่างเงี้ยไหไอ้นี่วุฒฐานะก็คือตั้งเวลาออกจากฌานได้ เสร็จแล้วก็สําคัญที่สุดคือปัจเจกปัจเจกขณะวสีไอ้ตัวปัจเจกนั่ก็คืออนเดียวกันกับอาวชนะนั่นแหละจริงๆคือสิ่งเดียวกันทีนี้พวกอาวชนะนะต้องมาใคร่ครวนว่าปฐมฌานเนี่ยมีองค์เท่าไหร่เช่นประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกขาตาและอวิตกเนี่ยนะมันไม่ได้ท้าว่าโดยสภาวะใช่ไหมมันไม่วิตกแต่เรื่องฌานนี่ มันมีการมัวิตตกด้วยมีพยาบาทวิตกด้วยมีวิหิงสาวิตกด้วยคิดเบื่อไอเบื่อตัวตัววิตกเนี่ยนะเบื่อตัววิตกกับเบื่อวิจารเนี่ยแล้วพยายามเข้าฌานใหม่จึงจะได้ทุติยะฌานเลนะเรามาวิตกในปฐมฌานนี่นะฮอะไรเป็นอารมณ์ครับก็วิตกในปฐมฌานนะัมีกสินสิบ เป็นอารมณ์สมมติว่านนมีอัปปามัญญาสมาม <3 S 1> เป็นอารมณ์มีอานาปานะเป็นอารมณ์มีอสุภะสิบเป็นอารมณ์มีกายคตาสติหนึ่งเป็นอารมณ์นั้นก็ถนัดอันไหนก็ว่าไปแล้วนอกจากนี้ครับนอกจากนี้นอกจากนี้ก็โสดาปติมัคมีนิพพานเป็นอารมณ์อถ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่ ภูนี้อารมณ์อย่างเดียวมีกาลได้บ้างไม่ได้เืออันนี้เราพูดถึงว่าวิตกในปฐมฌานวิตกในปฐมฌานเนี่ยขณะที่มีปฐมฌานต้องมีมสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ทีนี้ไอ้วิตกเนี่ยธรรมชาติของวิตกมันไม่ได้คิดถึงแต่อารมณ์ของฌานอย่างเดียวมันทิศถึงวัตถุกามบ้างใช่ไหมนึกวัตถุกามเรียกว่ากาลมาวิตตกนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโภชพระบ้างหรือไปนึกนึกวัตถุกามแล้วไม่ได้สมหวังก็ พยาบาทวิตกหรือนึกเบียดเบียนก็เป็นมีหิงสาวิตกเพราะฉะนั้นไอตัวตัวที่จะไปนําไปสู่อกุศลไดง่ายที่สุดคือวิตกเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ปฐมฌานในส่วนวิเศษสภาวขยะจึงเห็นโทษวิตตกพอเห็นโทษวิตกก็พยายามเข้าใหม่ตัวไหนที่จะทําไม่ได้ทุติยะฌานเป็นต้นก็กลุ่มนี้ที่จะทําให้ได้ทุติยะฌานก็มาเจริญอารมณ์ที่สามารถทําให้ได้ ทุติยชานแล้วก็เห็นก็ตามหลักอีกนั่นแหละว่าสี่ห้าแล้วมาเห็นโทษของปีติโอ้ปีตินี่มันใช้ไม่ได้เลยนะเนี่ยพอมีปีติแล้วมัยังดีใจยังอ่านะตัวดีใจเนี่ยมันใช้ไม่ได้ตัวอิ่มเนี่ยใช้ไม่ได้แล้ก็เห็นโทษของปีติเนี่ยนะมันต้องคอยกันปีติให้มีแต่สุขโดยที่ไม่มีปีติเนี่ยนะอันนี้แหละจึงจะเข้าตาติยชาญได้เพรานพวกนิ้สติต้องแม่นยำมากเพราะสัตว์ทั้งหลายโดยปกติแล้วติดปีติมาก คนที่จะกันปีติไม่ให้เกิดในองชานได้นะอันนั้นแหละคือเรียกว่าสติเนี่ยมีกำลังเต็มที่เลยเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นจตุทชฌานก็ไม่เอาแม้กระทั่งความสุขนะนะกันตัวสุขออกไปอีกพิจารณาองชานแล้วกันตัวความสุขออกไปจึงจะเข้าจตุทชฌานได้ทีนี้พอกลุ่มที่เข้าเข้าได้ฌานถึงฌานที่สี่แล้วจะต่ออารุปฌานนั้นได้เฉพาะกะสินอย่างเดียว อันนะั้นกระสิน8เหมือนกันได้กระสินแดอย่างเดียวคือธาตุกระสินสี่วันนากระสินอีกสี่เนี่ยนะเรียกว่ากะสินแปดก็ขยายกระสินเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยนะแล้วก็ไม่ใส่ใจโดยความเป็นกระสินใส่ใจโดยความเป็นอากาศเขาเรียกว่าเพิกกระสินทีนี้แล้วก็มีอากาศจนเป็นอารมณ์เนี่ยนะ จนเข้าฌานได้อันนี้เรียกว่าอากาสารนันจายตนะถ้าเราฟังผิวเผินก็ดูว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่ว่ามันยากมันกับปฐมฌานมาแล้วละ่ะทีนี้ผู้ที่จะได้อากาสารนันจาเยตนะนะเขว่าละรูปประสัญญาเห็นไหมละรูปประสัญญาอัน น, นละปฏิฆาสัญญา ไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจนานัตตะสัญญาะต้องละแม้กระทั่งละที่ละรูปประสัญญา15ไม่ความว่าเบื่อไอตัวรูปประชานทั้งหมดอะเบื่อรูปประชานทั้งหมดนะ เบื่อทั้งรูปประชานกุศลวิบากกิริยาเบื่อรูปประพบทุกชนิดอ่ะนะขึ้นเชื่อว่าเกี่ยวพรหมโลกเบื่อหมดเลยที่เป็นรูปประพรมเนี่ยเบื่อโดยประการทั้งปวงเขาเรียกว่าละรูปประสัญญาละปฏิฆาสัญญานะไม่ต้องการเห็นโดยประการทั้งปวงไม่ต้องการเห็นเรียกว่าพวกพวกที่จะได้ตาทิพหูทิพนะไม่สนใจตาทิพหูทิพสักอย่างอ่ะนะละรูปประสัญญาะละปฏิฆาสัญญาคือสัญญาในปัญจทวาร แล้วไม่สนใจนานต่สัญญา44สรุปว่าเช่นอากุศลจิต12ไม่ต้องการกามวั จ, จระโสภณะ24ไม่ต้องการนะสรุปว่าไม่ต้องการกามาวจรจิตรูปาวจรจิตโดยประการทั้งปวงจึงจะเข้าอากาสารัญจา ย, ยตนะได้พันพวกนี้จึงละรูป ละรูปเพราะ น, นี้เรียกว่าหลุดถ้าเข้าอากาสาร น, นจา ย, ยตนะได้ถือว่าหลุดจากรูปอันนี้ถือว่าเป็นหลุดพ้นข้อที่หนึ่งนะเรียกว่าพ้นจากรูปไม่เกี่ยวข้องกับรูปโดยประการทั้งปวงเพราะคิดดูนะถึงจะวิคัมพระนภาหารถ้าไม่เห็นโทษภัยของรูปจริงๆเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะได้อากาสาร น, นจา ย, ยตนะทีนี้ย้อนกลับมาอีก มาพูดถึงปฐมฌานใช้ใช้กันมาถ้าไม่เห็นโทษของกาลจนเสเอียนจริงๆยังไงก็ไม่ได้ปฐมฌานอย่าว่านี่เลยถ้าไม่เบื่อกามคุณห้าอย่างเต็มที่เลยนะปฐมฌานหมดสิทธิ์ถ้าไม่เบื่อวิตกวิจาร์เต็มที่ทุติยฌานหมดสิทธิ์ถ้าไม่เบื่อปีติ ต, ตัตยฌานก็หมดสิทธิ์ถ้าไม่เบื่อสุขจตุตฌานก็ไม่ได้ถ้าไม่เบื่อรูปประสัญญาปฏิฆาสัญญานานาตตาสัญญาณเนี่ยนะถ้าไม่เต็มทีเลยเนี่ยนะอาคาสารัญจายจจตนะไม่ได้ ถ้าไม่เบื่ออากาสารนันจาะนันจายยตนะเข้าวิญญาณนันจายยตนะไม่ได้ถ้าไม่เบื่อวิญญาณนันจายยตรนะเข้าทำอากินไม่ได้ถ้าไม่เบื่ออากินทำเนวสัญญาณาสัญญายตนะไม่ได้ถ้าไม่เบื่อนามรูปจริงๆงอ่ะเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ไดแล้วก็ถ้าบารรลุมรรคผลก็ต้องมันจะเป็นอีกสายหนึ่ง มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละมาตั้งแต่จริงๆอ่ะมีแต่เรื่องละอย่างเดียวนะในศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาละจริงๆแม้แต่ทานนี่ก็เริ่มละมาตั้งแต่ทานนี่ทานนี่ก็ละมหาพูดออกไปศีลก็ละนะศีลก็เป็นเรื่องละเนี่ยนะละเกี่ยวกับวัตถุการมสมถะเนี่ยละวิปัสสนานี่ยิ่ง ยิ่งละนะทั้งสมถาวิปัสนาเนี่ยละโดยประการทั้งปวงว่า ง, งั้นเถอะท่านเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์มากเลยนะไม่มีสังขารทุกชนิดเพราะบอกว่าถ้าไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยนะไม่มีใครสนใจในแง่ศาสนานี้หรอกเนี่ยนะท่านก็จึงมายอมรับเออเสื่อมวมันี้เดินยังเดินคิดเ อ, อ้อยังไงก็เสื่อมะนะเพราะว่ามันเกินกว่าสามัญชนทั่วไปจะคิดถ้าไม่ได้ยินได้ฟังทำไว้ก่อนหน้านี้มานะ าะเราเกิดมาเนี่ยเราเคยคิดไอ้สิ่งที่มันตรงกันข้าม ก, กับการเกิดไหมอย่างเงี้ยนะโอ้มันสุดฝันจริงๆทีนี้คนที่เอ่อที่จะได้หรือจะบรรลุพระนิพพานนะจะต้องเบื่อไอ้พวกนี้แล้วหลีกออกจากพวกนี้ได้อย่าลืมว่า ผู้บรรลุนิพพานเนี่ยหลีกออกจากปีรูปสาตรูปนะอ่าพวกเกี่ยวกับเจริญวิปั ส, สนาที่ปีรูปแบบกรรมก็คือพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโพธภาเนี่ยนะเงื่อนไขก็เป็นรูปที่ว่าหน้าปราถนา หน้าใครนะหน้าพอใจชวนให้รักนะแล้วก็ชักให้ใครพาใจให้กำนัดเ น, นี่ยอันเนี้ยแล้วพิจารณาอันเนี้ยโดยสภาวะเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะสภาวะเขาเป็นอย่างนั้นนะ นิมยมก็ถามว่าไอ้เนี่ยถ้าเบื่อทองเบื่อเพชรเนี่ยพิจารณายังไงจึงจะเบื่อบอกมันน่าปรารถนาจริงๆใช่ไหมทองเพชรทองกับเพชรเนี่ยนะแต่คุณหมอว่าลบนี่มีหลักการพิจารณาทองที่ทําให้ฟังแล้วน่าเบื่อเลยนะคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยทำไมนะฟังแล้วเบื่อเลยเพราะงั้นไม่ไม่ใช่ผมคิดมันเป็นประวัติศาสตร์ คือปกติทองเนี่ยมันมันผ่านมามือต่อมือนะคราบว่าทองที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยบางทีก็เอามาจากฟันของคนอื่นหรือว่าบางทีทองที่เราใช้หรือเราดูดีอยู่เนี่ยบางทีก็ขโมยมาจากมัมมี่บ้างอะไรบ้งเพราะนั้นทองแต่ละก้อนแตล่ตละก้อนเนี่ยมันผ่านมาแล้วหลายศพความจริงของอย่างอื่นก็คล้ายๆกันที่ดินอะไรต่วอะไรนี่ก็ผ่านมาแล้วหลายศพเหมือนกันไม mm ่ทราบท่านอื่นมีความเห็นยังไง น, นะก็ <S <S 1> <S 1> นี่นี่สามารถพิจารณาได้ทั้งหลายวิธีด้วยกันนะนะนี่ก็อีกวิธีหนึ่งว่าสิ่งนั้นนั้นจริ ง, รงๆก็ผ่านเนื้อผ่านเลือดผ่านศพผ่านอะไรมาสารพัดที่จะผ่านนะนะพอดีไม่ดีก็นอนเออเรียกว่าอะไรเป็นทองเป็นอะไรที่แช่อ ย, อยู่กับน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองเป็นต้นนั่นแหละก็อย่างเพศเนี่ยถ้ามันอยู่กับน้าเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองมาแล้วเนี่ยถ้าเอาไปล้างล้างก็เป็นยังไงก็มาใส่ประดับต่อมีใครเห็นอนะ้รนะ แต่จริงก็ผ่านมาและอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้ามีวัตถุเหล่านี้แล้วถามว่าจะมีความสุขหรือว่าจะยังไงก็นะก็พกไปก้อนหนึ่งนะไปที่ไหนก็ถือแกว่งให้คนดูเล่นๆ เ, เนี่ยนะคิดว่าจะมีความสุขไหมนอนหลับไม่ใช่เลยนะแต่ก้อนเท่าไหรด้วยก็ยิ่งไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วทั้งนนก็สภาวะที่น่าปรารถนาน้าใครเนี่ยคนมีปัญญาจริงๆอ่ะเนื่องจากเขาพิจารณาโดย โดยรอบโดยประการทั้งปวงแล้วอะ่ะนะนอกจากความที่เข้าไปยินดีเท่านั้นเองที่มันดูเหมือนเป็นความสุขแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ใช่เลยแม้แต่โดยประการทั้งปวงแต่ว่าคนที่จะเห็นอย่างนี้นะต้องรู้จักคำว่ า, ากุศลอกุศลแล้วก็วิบากเนี่ยนะคือคนที่จะคิดจะหลีกแบบนี้นะต้องแยกสมส่วนนี้ออกเช่นว่าเมื่อเราอยู่กับวัตถุที่น่าปรารถนา โดยเฉพาะหน้าปรารถนามากๆตามหลักอันนี้เลยนะไตรสิกขาดีขึ้นไหมนะไตรสิกขาเยี่ยมเลยใช่ไหมไม่ใช่เลยนะเพราะสัตว์ทั้งหลายจะล่วงศีลทุศีลก็เพราะปิยรูปสาตรูปทั่วๆไปนั่นแหละทีนี้ต่อไปแล้วอกุศลอะไรมั่งที่มันติดตามสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาการล่วงอกุศลกรรมบทสิบทุกข้อมีวัตถุเหล่านี้เป็นปจัจจัย มีปิยรูปสาตรูปเป็นเป็นปัจจัยแห่งการล่วงอากุศลกรรมบทสิบทุกข้อนี่นะปานาติบาตก็ก็ข้าก็เพื่อปียรูปสาตรูปอาทินนาทานก็ลักปิยรูปสาตรูปกาเมสุมิจฉาจารก็ผิดในปียรูปสาตรูปมุสาวาทก็พูดเพื่อปียรูปสาตรูปดื่มสุราก็ดื่ม ปิยรูปสาธรูปกินข้าวเย็นก็กินปิยรูปสาตรูปอันนั้นจะอุโบสถไปละแต่ว่าพูดสอเสียดให้คนแตกแยกกันก็เพื่อเพื่อต้องการปิยรูปสาตรูปใช่ไหมถ้าเขาแตกกันเนี่ยหมายถึงว่าคนที่พูดมันจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันอ้อมๆว่าโดยรวมๆแล้ววนๆอยู่ในปิยรูปสาตรูปโดยที่สุดแม้แต่มิจฉาทิฏฐิก็เพื่อสนอง ปิยรูปสาตารู ป, รปเพราะยินดีในปิยรูปสาตรูปในวัตถุที่น่าปรารถนานั่นแหละจึงเกิดมิจฉาทิฐิขึ้นพนผู้ที่พิจารณาเนี่ยโดยในมาคันธยสูตรโปรองแสดงโดยอะไรอัสสาทะาอทีนวะแล้วนิสตรณนะเนี่ยในเนี่ยในปิยรูปสาตรูป ถ้าปียรูปอาสาทะรูปนะนึกแป๊บอาทีนว่ามันก็ปรากฏเลยใช่หมมันนึกมันขยับมันแต่ว่าตัวที่จะละจริงๆต้องละเป็นในสภาวะที่น่าปรารถนาที่สุดนี่อีกในหนึ่งถ้าอันนี้เป็นกลุ่มพวกปัญญาวิมุต tn นะจะพิจารณาพวกนี้ปัญญาวิมุตต์ประเภทสุขาวิปัสสกทั่วๆไปเนี่ยจะเอาพวกนี้มาพิจารณาถ้าเป็นกลุ่มอุปโตภาควิมุต tn นะ ทำฌานให้ได้อย่างเยี่ยมแล้วเห็นว่าฌานนี่มันเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเนี่ยนะปฐมฌานที่เต็มไปได้วยความสุขสงบเยือกเย็นดีเยี่ยมโดยประการทั้งปวงอ่ะนะอันนี้สองคือพรหมโลกเนาะเนะเนี่ยนะมันคือฝีตัวโรคคือชรามรณะฟังแล้วมันไม่ง่ายเลยใช่ไสภาวะของพระนิพพานเนี่ยปุตตชนเนี่ยละยากฟังกันเะไม่ใช่เป็นของอันปุตุชนจะพึงละได้โดยง่าย มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์เขาเป็นพระราชาปกก็ mm hmm. มีเพื่อนสองค น, ง น, นคือคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นราชบุตรใช่ไหมอีกคนหนึ่งเป็นลูกปุโรหิตสองคนนี้ก็ไปเรียนส่งจากเมืองราชคึกเนี่ยไปเรียนตักศิลาทีนี้พอเรียนจบมาทั้งคู่เนี่ยก็เดินทางรอนแรมมาเรื่อ ย, อยมาถึงเมืองพาราณสีสองคนกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่เป็นลูกปุโรหิตคนเนี่ยเก่งมากเก่งกว่าเก่งกว่าเพื่อนที่ที่เป็นลูกเป็นราชบุตรนี่นะ เพราะคนนี้ก็ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยจะอ่านพยากรณ์ได้หมดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาบอกว่าได้รหัสตัวหนึ่งเขาบอกวันนี้แหละเพื่อนเขาจะขึ้นครองราชถ้าเขาปรารถนาเขาจะได้ตําแหน่งปุโรหิตวันนี้แหละเนี่ยนหรือตําแหน่งเสนาบดีวันนี้แหละเสร็จแล้วก็เพื่อนนี้ก็มานอนอยู่ที่เขาเรียกว่าในราชอุทยานเนี่ยนะพอดีพระราชาเมืองพระราชศรีเนี่ยตายก็เลยตอนหลังก็ กระราชชาวรถมาเกย์นะทีนี้บุตรปุโรหิตที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็นหนีไปอยู่ที่อื่นเลยนะรีบหลบออกไปก็บอกว่านี่ถ้าเป็นปุโรหิตแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วที่จะไปบปําเพ็ญสมณธรรมที่จะอะไรเนี่ยนะเพราะแกมีอัธยาศัยวิวะัตตะ์มากก็เลยให้เพื่อนเนี่ยครองราดใครว่าตั้งกันได้พระเป็นพระราชานะ่ยห้าสิบปีไม่เคยคิดถึงเพื่อนเลยอ่ะคือ ด, ดูนะมันเมาขนาดนั้นเลยนะ จริงมาด้วยการร่ำเรียนมาด้วยการเล่นกันมาตั้งแตอ้อนแต่ออกนะพอได้เป็นพระราชานะห้สิบปีไม่เคยคิดถึงเพื่อนเลย เ, เพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เสียใจอะไรหรอกเพราะว่าออกไปพิจารณวิปัสนาอยู่ไม่นานก็บรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็รอดูจะชวนเพื่อนออกบวชได้ยังไงเนี่ยก็รอดูอินทรีย์เขาแตกละห้าสิปีผ่านไปก็พระราชานี่คิดถึงเพื่อนก็เลยให้คนนี้แต่งเพลงแต่งเพลงว่าใครเห็นโสณะนะโสณะโสนะ บ้างก็แต่งเพลงเป็นเพลงที่พระราชาประทับใจที่สุดคนก็ไปรองตร้องเนยนะตอนหลังพระปัเจ ก, กับพุทธเจ้านี่ก็มามาก็ทำเนียมนักบวชก็ชวนบวชนันะเนละก็บอกว่าโอ้ยกามนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งอันข้าพเจ้าจะเพลิงละได้โดยง่ายอย่างนั้นก็คือสรบอกตอนนี้ข้าพเจ้านี่มัวเมาเต็มที่เพราะท่านท่านจะสอนข้าพเจ้าก็สอนให้ไปสวรรค์เถอะอย่างแนะนําพระประเจกเนี่ยนะพระประเจกท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะอุปมาให้ฟังอย่างั้น ก็บอกแม่น้ําคงคาเนี่ยนะแม่น้ํำคงคานี่มันไหลผ่านมามีช้างตาอยู่ตัวหนึ่งอีกาตัวหนึ่งก็บินมาโฉบอยู่บนเกาะอยู่บนซากช้างเนี่ยนะโอ้ยเราได้เรือชั้นดีเหมือนกันนะได้เรือชั้นดีตัวก็ใหญ่อาหารก็มีเต็มลำไปหมดเลยเนี่ยนะพายก็ไม่ต้องเพราะฉะนั้นก็ลอยนะก็เกาะกินอยู่กับซากช้างนี่แหละไอตอนอยู่แม่น้ําคงคามันดูไม่ไม่มีอะไรใช่ไหม ตอนหลังมันไปน้ำมันไปลงทะเลเข้า น, นะไอกาไอตอนหลังไอศพบช้างมันจมลงทะเลกามันก็บินข้ามทะเลไม่พ้นใช่ไหมเขาบอกว่าผู้ใดบริโภคกามก็ฉันนั้นเหมือนกัน น, นะแล้วก็เขาบอกว่าการแนะนําคนอื่นเนี่ยพูดให้มากก็เหมือนกับทา่าต้องพูดกับ น, นายเพราะฉะนั้นพูดแต่น้อยก็พอหลังอย่างนั้นพระทศเจ ก, ก็ห่อนี้ไปเลย พระราชาก็บอกเอ้เรานี่มันก็เป็นกษัตริย์เชื่อกษัตริย์ปเปล่าๆนะเหาะก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะหลังก็เห็นโทษของกาไหมนะอยู่ตรงนั้นนะเรียกราชโอรสมาแต่งตั้งเลยบอกว่าวอกพ่อไม่อยากเป็นกาว่า ง, งนะั้นไม่อยากเป็นกาที่จะต้องจมลงในมหาสมุทรนั้นก็ถ้าว่าโดยรวมๆเนี่ยนะวัตถุกามแม้กระทั่งรูปเสียงเกลื่นรถเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะละได้โดยโดยง่ายสําหรับผู้ที่เรียกว่าได้แต่อัศธาตลอดเนี่ยนะ ได้แต่อัสสะท่อยู่ตลอดเวลาแทบจะเรียกว่าวันวแทบไม่ได้ยินเสียงที่เป็นอปิยรูปอาสาตรูปอะไรเลยเนี่ยเพราะงี้ไม่ใช่จะละได้โดยง่ายเพราะงี้ถ้ามามองในแง่เนี่ยจึงเห็นว่าพระโพธิสัตว์ของเราที่ออกบวชได้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแล้วบวชวันไหนวันที่ได้ลูกชายคนแรกรบวชตอนเห็นหน้าลูกเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ธรรมดาจริงๆเนี่ยหมดติดเลยนะก็ใครที่มีลูกคนแรกแล้วนึกถึง บวชบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็มีไอ้คนหนึ่งไอ้ทิดคนหนึ่งมีลูกชายก็เขาบน่นไหมนะขอให้มีลูกชายเขาจะบวชแก้บวนสิบห้าวันก็งั้นเสร็จแล้วก็ได้ลูกชายจริงๆนะจริงๆมันก็บวชไอ้ทิดคนนี้มันก็เคยบวชหลายผีแล้วลนะ่ะ <laughs> ก็มาบวชแก้บนอีกสิบห้าวันบวชให้ลู ก, <laughs> กนึกว่าจะดี <laughs> <c oughs> แปลว่าบวงนคือพระโพธิสัตว์เนี่ยวันคือช่วงหลังๆมาเนี่ยท่านก็คิดแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องชาติชรามรณะเรื่องวัตตะวีวัตตะอะไรเนี่ยนะท่านมาคิดเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านฟังว่า คือท่านคิดแล้วว่าวันนี้จะต้องออกบวชวันนี้จะต้องออกบวชพอฟังข่าวว่าวันนี้ท่านมีลูกแล้วก็เลยก็โลภะเกิดหละสำนวนว่าความรักเนี่ยจดเดยื่อในกระดูกบอกโอ้โหนี่คนเดียวนะถ้าตั้งพันด้วยมันจะขนาดไหนก็เลยมาคิดว่าวันนี้จะต้องออกบวชให้ได้ก่อนที่ตันหามันจะแรงกว่า น, นี้แต่ขนาดนั้นก็ยังต้องไปดูหน้าลูกก่อน ดูหน้าลูกก่อนจริงๆก็จะเข้าไปอุ้มเหมืนนะแต่ว่าแม่นอนกอดไว้เดี๋ยวแม่ตื่นมล้ไม่ได้บวชแล้วแต่เลยบวชเลยครับนี้ผ่านไปเจ็ดปีก็เลยมาเจอหน้าลูกใหม่นะลูกมาขอทรัพย์นะนะลูกมาขอทรัพย์พ่อก็เลยให้โล ก, กุตระทรัพย์เลยเริ่มจับบวชเลยนะคือลูกมาขอทรัพย์ที่เป็นไปในวัฏฏะใช่ไหมพ่อนี่อัธยาสายใหญ่ก็เลยให้โล ก, กุตระทรัพย์เลยจับบวชนัะนะพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยโหแทบลมจะจับไม่ได้ เพราะว่านันทาก็บวชแล้วราหุนก็บวชอีกนะตอนนลังก็เลยขออนุญาตบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะให้ใครบวชต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อนนั่ น, <c oughs> นเองพระองค์ก็รับพอในนั้น <c oughs> คือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วสรรัตว์ทั้งหลายที่จะเห็นภัยในวัตฏะอย่างแรงกล้าแล้วรีบส่งให้ออกจากวัตฏะเร็วที่สุดเนี่ยนะมีไม่มากเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่าบุคคล น, นั้นเป็นเป็นพระอริยะอยู่แล้ว แต่อย่างที่ว่าตอนที่พระเจ้าสุดโทธนะเสียใจนี่ถามว่าบรรลุอะไรหรือยังเป็นพระโสดาบันหรือสกทาคามีแล้วนะ <c oughs> ขนาดนั้นหลานบวชยังเสียใจเลยเขาอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นก็ใครมีลูกมีหลานก็คิดจะส่งบวชบ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะนะพ่อแม่หวังดีกลัวมันบวชแล้วมันจะเอาตัวไม่รอดนะ <c oughs> อาวางแผนกันยกใหญ่เลย นี้ทบทวนมาหาพระนิพพานอีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่จะจมีจิตน้อมหรือโอนไปหาพระนิพพานได้เนี่ยคนนั้นต้องคิดถึงเรื่องจุติปฏิสนธิให้มาก